หลักของพระพุทธศาสนานคืออะไรแต่พวกเราได้เข้าใจหลักของพุท ธ, ธะแล้วเราจะซึ้งในใจว่าคนโบราณชาติไทยของเราในนับถือพระพุทธศาสนานี่ถูกต้องแล้วนะเราจะมั่นใจอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เลยศึกษาแล้วพวกเราก็ยังสงสัยเหมือนกันทำไมชาติไทยของเราจึงนับถือพระพุทธศาสนาน แต่พอเราได้ศึกษาในท่วนทีพุทธศาสนานเป็นศาสนาเหตุผลศาสนาเอาความจริงมาพูดเข้ามาสู่วัดวาศาสนาะหรือเข้ามาบวชมาศึกษาธรรมะคือมาศึกษาเรื่องหลักเหตุผลการวางตัวการปฏิบัติตนการอยู่ในชุมชนและสังคม คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพราะว่าการเรียนไม่มีจบถ้าหมดลมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจบแต่ยังไม่หมดลมเราจะต้องเรียนเรื่องต่างๆสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้เรียนให้รอบด้านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ฟัง อย่างหลวงพ่อไปพูดที่สวนช่างทำมันบานมันก่อนหลวงพ่อบอกว่าพวกเราทุกท่านไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเฉลียวฉลาดทุกอย่างไม่ได้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าปิดหูปิดตาตนเองโง่การเรียนการศึกษาการฟังเราต้องฟังฟังเรามีหูอยู่สองข้างเราต้องฟังเมื่อฟังแล้วกันกรองไตรตองดูมีเหตุมีผลไม้ ถ้ามีเหตุมีผลเรากเอออย่างนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้ในเรื่องนี้เราก็จะได้นํามานํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือว่าผู้เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเพื่อเราจะนํามาปฏิบัติขนาดเป็นมนุษย์แท่ยังเรียน กับสัตว์ที่ไรฉานก็ยังมียังเรียนกับวัวก็ยังมีเป็นมนุษย์หลวงพ่อพูดเมื่อวานแต่พวกเราก็อาจจะสงสัยเอ๊ะเป็นขนาดมนุษย์แล้วทำไมจึงไปเรียนกั บ, บวัวกับกับสัตว์นะหลวงพ่อก็เลยเล่าเป็นแนวความคิดให้ฟังหลวงพ่อบอกว่าในหมู่บ้านหนึ่งเขามีการแต่งงานเขามีงาน แต่งงานแต่เนี่ยเขาเคเชิญผู้สูงอายุไปผู้เฒ่าผู้แก่พ่อตู่แม่ญาติตายายไปในงานพ่อกาไปถึงบ้านเขาถึงเป็นบ้านนอกแลก้วแต่บ้านของเขาก็มีไม่มีลูกโครงอย่างของเราเนี่ยมันเป็นลูกโครงแบบไม้ไผ่แบบไม้ไผ่มัดเรียงลํากัน เพื่อไม่ให้เด็กมันตกลงไปตกบ้านเขาเขาก็มีลาวมัดเลียงเลียงเลยงเลียงกันขึ้นเป็นลูกกลงตอนนี้ตาแก่คนหนึ่งพ่อตู้คนหนึ่งโยมคุณตาคนหนึ่งขั้นก็ไปไทยนุ้ก็ต้องเคี้ยวหมากนพอเห็นหมากแล้วก็เคี้ยวหมากนั่นก็คือต้อนรับขับสู้กันสมัยโบราณก็ต้องมีหมากบีบุรี ตอนนตาแก่คุณตานี่ยก็เคี้ยวหมากพราะเคี้ยวหมากมัญหากระถนไม่ได้มนคนมันเยอะนะก็เลยเอาคอนสอดเข้าไปในลาวลูกกงเพื่อม้วนน้ําน้ําหมากพราะเคี้ยวหมากมันก็ต้องมีน้ําลายสอดหัวเข้าไปก็เป็นบ้วนน้ำน้ำลายพอบ้วนไปได้วตอนี้ถอยคืนมาถอยไม่ได้สิ มันเล่าลูกโป่งมันพอดีกับคางกับหัวเท่นี่ถอยมาได้มันติดคางเท่นี่พอมันติดค้างถอยไหมนะเอ๊ะข้าจะทํายังไงบ้าออแต่เกีเ่ยวหมากไปเรื่อยแบ้ ว, วนน้ำหมากไปก็เคสในแก่เราจะออกเเอ า, เ อ, า, เ อ, า, เ อ, าออกยังไงมัน อ, ออกไม่ได้มันมันแน่นมันบีบคอถ้าจะเรียกเขาว่าเอ้ยเอางัด ลราเนี่ยออกให้เราหน่อยหนะ้ากขายกี่หน้าคนตัางเยอะแยะถิ่นนี่นั่นก็เลยเคี้ยวมากไปตอนนี้เขาก็ยกอาหารมาถี่นพวกก็ไปเลี้ยงเกลี้ยงแขกเขาก็ยกอาหารสําหรับกับข้าวมาวางวางวางวา ง, วางเขาก็เชิญเอ้าคุณตามาละมาทานอาหารในเวลาทานอาหารน่ะคายมากนะคุณตาเนี่ยแบไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบอกเอยเอ่กินไปก่อนเถอะนะ ข้ายังหมากยังไม่จืดมันนะเนีเ่ยคนแก่มันนะมีปัญญาอยู่ด้อใครเขาว่าเอารู้จักเอาตัวรอดขี้อายเหมนงั้นเอะเอากินไปก่อนเถอะนะแล้วหมากยังไม่จืดที่แท้ตัวเองเอาหัวออกจากลาวลูกกงไม่ได้เหมงั้นเอะเพราะมันหนีบคอตัวเองอยู่ผลที่โชกดเขากินพอแรงนะว้าวลง่ง ล่าทำไมไม่ออกมากเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเกี้ยวหมักตะกอนมาทีนี้พอดูดูไปไปเห็นบัวตัวหนึ่งนะไปเห็นบัวตัวหนึ่งมันมีลาวลาวรัวเหมือนกันนะเวลามันจะกินมันก็แต่แข่งหัวของมันนะอพอแข่งหัวเสร็จแล้วมันกยื่นคอเข้าไปไปกินหญ้าอไปกินหญ้าในรัวนะพอกินเสร็จแล้ว มันก็ตะแคงหัวออกอีกซะก่อนมันติดเขาของมันใช่ไหมมันตะแคงออกมามันก็ออกมาได้คุณลุงนี่ก็อคุณตาเนี่ยก็เห็นวัวตัวนั้นอนะ่ะเป็นตัวอย่างงั้นนะแต่แกก็ได้แข้งแขงหัวออกไม่ออกทางตรงตรงเหมือนกันแนตะ้องออกตรงตรงไม่ได้มันคาคางคาคอนก็เลยเอียงเอีงข้าง ๆ, างๆางางออกมาก็าเลยออกมาได้แนะง่ก็เลยมา มาคิดโอ้โหตตายตายตาย ต, ย ต, ยตยถ้าข้าไม่เห็นบัวตัวนั้นออกมาออกจากรั้วนะข้าคงจะติดอยู่ในนั้นคล้ายขี้หนาขาดไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะจะต้องบอกให้คนมางัดไม้ออกจากตัวเองพบตัวเองสอดเข้าไปแล้วเออออกไม่ได้นี่แหละหลวงพ่อบอกว่าขนาดวัวสัตย์ที่ฉัน มันก็ยังเป็นบทเรียนให้กับเราได้เราจึงได้ศึกษากับมันบางสิ่งบางอย่างความรู้ความฉลาดเก็กเ็ ก, เ ก, เกน้อยๆพวกเราได้มาศึกษาได้มาฟังพวกเราก็จะได้นาไปปรับปรุงการเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นทางกายทางวาจาท้งใจท้งแนวความคิดแต่หลักของพรัชศาสนายิง่งดึกซึ้งกว่านั้นไปอีก ในทาคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ฟังได้ศึกษาแล้วบางสิ่งบางอย่างเราเออพระพุทธเจ้าท่านสอนได้ยังไงรับทาคำสอนในท่านสอนได้ยังไงละเอียดถี่ถ้วนจริงๆถ้าว่าใครก็ตามเดินตามแนวแถวทาคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีแต่ความเจริญผาสุกนหเพราะนั้นพวกเราลูกหลานที่เขามาบวชในคราวนี้ที่จะบวช วันที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนี่ก็ให้ลูกหลานตั้งใจศึกษาพวกเราเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองเข้ามาได้สองสามสี่วัน แต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนที่เข้ามาศึกษาการศึกษาในครั้งนี้หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาคือให้ศึกษาเรื่องของใจก่อนเมื่อเราศึกษาเรื่องของใจรักษาต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เรื่องกิ่งก้านสาขาดอกใบดอกผลมันจะรู้ไปได้เองแต่ถ้าว่ารากแก้วคือใจของเราไม่ได้รับการทนุบำรุงรักษาให้ดีรากแก้วมันเน่าหรือรากแก้วมันไม่สมบูรณ์ต้นไม้ต้นนั้นก็อยู่แบบไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะรากแก้ว ต้นไม้ต้นนั้นฝังอย่างไม่ลึกอย่างไม่ถึงน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นของมันเพราะนั้นต้นไม้เขาก็ยังมีรากแก้วเป็นเครื่องทําให้มันมั่นคงถ้าหากว่าต้นไม้ต้นใดข็าตามมีแต่รากลอยๆมีแต่รากหากินไม่มีรากแก้วถ้าโดนพายุขึ้นมา ก็ทำให้ต้นไม้นั้นโค่นได้ไง่ายเพราะต้นไม้นั้นไม่มีรากแก้วไม่มีรากใหญ่อย่างลึกลงไปในแผ่นดินตัวของพวกเราถ้าจะเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็รักขนาอย่างนั้นคือพวกเราอยู่แบบ ล, ยลอยๆอยู่แบบไม่หนักแน่นอยู่แบบไม่ได้ทนุบำรุง เรื่องของใจอยู่แบบเป็นวันๆหากินแบบเป็นวันๆเลี้ยงชีพแบบวันๆการา ะ, ะแสวงหาทรัพย์สมบัติด้วยปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงร่างกายเป็นวันๆไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งว่าตัวของเรานี้มีอะไรบ้างที่เป็น หลักควรจะยึดควรจะฝังให้แน่นควรที่จะให้มันมั่นคงคืออะไรถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาพวกเราจะไม่รู้ถ้าพวกเราได้ศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้านี่สอนอย่างไงที่ให้พวกเรามีรากอย่างลึก ลงไปสู่เหตุผลสู่น้ำและก็รอเลี้ยงร่างกายด้วยความผาสุกร่มเย็นเป็นจุขแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาอยู่เป็นวันวันไปเหมือนกับไม้ปักขี้เลนที่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดพออยู่ไปแล้วก็มีใครพูดอะไรขึ้นไปพูดอะไรใส่หูเข้ามา ใจของเราไม่มีหลักก็เลื่อนลอยไปเรื่อยๆวันไว้ไวกวแข่งไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นหลักยึดหลักเหตุผลที่ยึดไม่มีเขาพูดให้ฟังแนะนําให้ฟังพอเขาพูดเหตุผลก็คือเหตุผลของเขาเหตุผลผลที่พูดเราในด้อยเหตุผลพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษา จากท่านผู้รู้จากหลักพระธรรมวินัยจากทำคำสอนที่มีเหตุผลที่เหนือกว่าพอเขาอ้างเหตุผลมาแล้วก็ลอยไปตามเขาอีกเพราะเหตุไรเพราะเขาอ้างเหตุผลมาให้ฟังในเมื่อเราได้ฟังเหตุผลในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะยืนแน่งที่เขาพูดให้ฟังนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน เราก็นํามาเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเขียบเคียงดูเขาพูดอย่างนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เราได้ยินได้ศึกษามาครูบาอาจารย์ท่านแนะนําอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้แต่คาคํานี้ของเขากับคําคํานี้ของครูบาอาจารย์กับคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นอันไหนมีเหตุผลกว่ากันเนี่ย จนั้นเราก็นำมาคิดอะไรกันมาเทียบเคียงเปรียบเทียบนี่แหละอันนี้แปลว่าผู้มีเหตุผลจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีเหตุผลจะเดินตามเขาหรือไม่เดินตามเขาก็มีเหตุผลแต่ถ้าเดินตามเขาเออถ้าเราเขาเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอํานาจวาสนะกว่าถ้าเราไม่ไม่คอยตามเขา เราก็อยู่ละบากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเตินเดินตามเขาทุกอย่างมันก็ไม่ถูกต้องตามที่เราได้ศึกษามาแล้วเราจะวางตัวอย่างไงมันจึงจะเหมาะสมในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้จากนั้นเราก็ต้องใช้เหตุผลหละความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนตัวเองก็ไม่เสียเขาก็ไม่เสียเราจะวางตนอย่างไรในจุดนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นเกิดมาในอยู่ในมวลมนุษยชาติเกิดมาเพื่ออยู่ในชุมชนและสังคมพวกเราต้องได้คิดอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้คิดจะเอาแต่ใจตัวเองพูดเปี้ยงเถรนตรงไปเลยก็ได้แต่มันเสีย เสียหมูเสียเพื่อนจะไปเสียยังไงพอเราเอาเหตุผลไปพูดบางสิ่งบางอย่างเหตุผลมันตรงเกินไปคนอื่นเขารับไม่ได้ก็ททำให้เสียหายเพราะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะไม่เสียหายบัวไม่ช้าน้าไม่ขุนเขารับได้เราก็รับได้แต่เราก็เสียไปบ้างแต่เขาก็ได้แต่เขาไม่เต็มที่แต่ว่า ไปด้วยกันได้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดได้คิดแล้วก็ทําแล้วก็พูดในลักษณะอย่างนี้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราอย่าเอาตัวไปหลังวัดแล้วก็ฟันเปี้ยงทีเดียวเป็นเสียตะบางสิ่งบางอย่างอย่างไรก็อย่างไรถ้ามันเสียหายเราพิจารณารอบคอบแล้ว จุดนี้เราอ่อนไม่ได้มีแต่ฟันธงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ต้องมีอีกเหมือนกันม่ใช่ว่าจะลูกหน้าป่าจมูกไปเรื่อยๆลูกหน้าป่าจมูกไปเรื่อยๆก็เสียหายอีกถ้าฟันธงเปียงลงไปทุกอย่างทุกอย่างก็เสียหายอีกนี่แหละ ในเมื่อเราได้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเรื่องหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะวางตัววางตัวด้วยความเหมาะสมในสถานการณน์นั้นนั้นี่เราขอฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกๆคนเพราะน้าหลักของพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ถ้าน้ให้ศึกษาเรื่องของใจใจและเรามองไม่เห็นใจในเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่หลักของพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจมากที่สุดถ้าเราได้ศึกษาแล้วนั่นแหละตัวใจนั่นแหละเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระอรหันต์ที่ได้บำเพ็ญที่ได้บรรลุมรรคผลในพานก็เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องอื่นใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้พิจารณาการกรองไตรตองเรื่องเหตุและผลอื่นๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคาย จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสลอกโกดหลงราคะโทสะโมหะสละคลายออกหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นจนถึงกิเลสเหล่านั้นไม่เข้ามาคลองใจของท่านผู้รู้เหล่านั้นได้รู้เป็นอนันตการนี่แหละ และเราจะทำยังไงหลักของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างไรถึงถึงจุดนะั้นพอหลักวิชาในโลกนี่เขาจะเรียนวิชาไหนเขาก็ต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นซะก่อนอย่างพวกหมอก็เหมือนกันพวกเราเรียนหมอก็ต้องมีทฤษฎีเริ่มต้นพวกเราคงจะประทับใจที่ครูบาอาจารย์สอนเบื้องต้นที่พวกเราเรียนทฤษฎี ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนยกตัวอย่างให้ฟังท่องสาธยายให้ฟังร่างกายของเราเนี่ภาษาปิดว่าไงภาษาไทยว่ายังไงเพียงกระดูกฝ่ามือเท่านั้นเราท่องก็ไม่รู้ว่ากี่ศัพท์กี่แสงกระโหลกศีรษะของเรากระดูกชิ้นไหนมีติ่งออกมาอย่างไงที่เป็นกระโหลก พวกเราก็คงได้ทองได้ศึกษาหน้าที่อะไรในกระดูกแต่ละกระดูกในชิ้นนั้นมันทำหน้าที่อะไรอันนี้คือคือทางทฤษฎีเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราต้องเรียนต้องศึกษาจากนั้นเมื่อครบปีที่สามที่สี่ขึ้นมาลงมือปฏิบัติเราก็เนืกทบทวนในเรื่องที่เราได้เรียนมา หลักวิชาทางทฤษฎีเนะี่ยวันนี้เอาลงมาปฏิบัติแล้วนะมันเกิดโรคตรง น, นั้นเราจะผ่ายัางไงมะเร็งจุดนี้เราจะผ่ายัางไงประสาทมันอยู่มีกี่เส้นที่จะทำให้เส้นประสาทมันผ่าเข้าไปแล้วมันจะทำให้เสียศูนย์ตัวไหนปากเบี้ยวปากบิดหรือว่าเป็นอมเพิกอมภพาดประสาท ต, ตัวไหนมันไปทางไหนเส้นตัวนี้มันไปทางไหน สิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้เรียนซะก่อนพอเรียนแล้วหลงจากนั้นลงมือพาตัดหรือพาแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่ได้เรียนแพทย์เรียนหมอแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพวกลูกหลานคงจะเรียนลักษณะอย่างนี้เพราะการเรียนเบื้องต้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อพวกจะเรียนแขนงไหนก็ตามก็ต้องเรียนกอไก่ขอไขให้เข้าใจเอบซดี A, B, C, D, เข้าใจซะก่อนถ้าจะเรียนคณิตศาสต ร, ร์ก็ต้อง หนึ่งสองสามวันทูทีโฟไฟซะก่อนมันจึงจะไปได้นี้ก็เหมือนกันในภาคปฏิบัติในการภาวนาภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนจะทำยังไงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากอาสวะคิเลสนะจะเริ่มต้นอย่างไรนะอันนี้ มันก็ต้องมีเหมือนกันเหมือนกับเราเรียนหลักวิชาแพทย์อย่างที่ว่าหรือว่าเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างที่ว่าเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็สอนอย่างเบื้องต้นเหมือนกันว่าควรทําอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าวรมครูท่านก็ออกไปในแนวหนึ่งปลีกสีกไปในแนวหนึ่งเพราะท่านเป็นบรมครูท่านตัดสิน้ด้วยเองโดยชอบท่านก็ จิดเจรณาอีกแบบหนึ่งกําหนดอีกแบบหนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงอีกอย่างหนึ่งแต่เหมือนกันแต่เมื่อเมื่อเรามาเปรียบเทียบเราก็เหมือนกันเนีเหมือนกับพิธีการหาเงินการหาเงินไม่ใช่ว่าหาแบบเดียวกันแต่ว่าได้เงินได้เงินมาแต่บางคนก็ได้มากได้น้อยอันนั้นสุดแท้แต่สติปัญญาและความหมั่นขยันอดทนของแต่ละคน แต่บางคนก็ขยันอดทนอยู่แต่ว่าพอทําไปทํามาค้าขายไปก็ยิ่งขาดทนุนยิ่งล่มจมจิบหายก็มีมันกันแต่ทั้งที่ทําพิชาอาชีพเหมือนกับเขาที่รวยรวยมาเราก็เดินตามเขาแต่บางคนก็ถึงจะไม่รวยก็อยู่ได้สิ่งเหล่านี้ก็มีหลายวิธีประกอบกันประกอบกันบางสิ่งเราก็มองไม่เห็น มองไม่เห็นยังไงก็คือบุญวาสนาบาลีบุญเก่าที่เขาได้ทํามาไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหลักของพุทธ ศ, ศาสนาและการบําเพ็ญทางด้านกิตตภาวนาท่านก็บอกว่าผู้ที่ด้านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนั้นท่านบําเพ็ญมาเท่าไหร่กี่อสงไข่บำเพ็ญมันยาวนานมาถึงชาตินี้ท่านก็ได้บำเพ็ญจนท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาแต่บางคนก็บำเพ็ญยังไงเหมือนกับท่านบำเพ็ญแต่ไม่ได้แต่ถึงยังไงถึงจะไม่ได้อย่างไรมันก็เป็นหนทางเป็นหนทางไม่เสียหายถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยเพราะเราได้เดินทางแล้วได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทำมาค้าขายในชาติหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านก็นตรัสเอาไว้อีกว่าถ้าผู้ใดก็าตามจิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งไม่มีการเผลอไม่เผลอจิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสีตลอดไม่เกินเจดวัน ไม่เกินเจ็ดเดือนอย่างช้าสุดไม่เกินเจ็ดปีนิท่านตรัสแือท่านพูดไว้ชัดเจนถึงจะไม่มีปุญบา ร, รมีวาสนาบา ร, รมีเก่าแต่ว่าใจของเราอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมคืออยู่ในกายตลอดก็เห็นเวทนาการเคลื่อนไหวของกายตลอดเวทนาของจิตตลอดจิตก็นึกดูความนึกคิดของใจอยู่ตลอด ก็ดูสิ่งที่มากระทบใจก็รู้อยู่ตลอดใจของเราก็เพิ่มดีชั่วยอย่างไรในทุกขณะที่เราอยู่ในภาวาใจอยู่ในสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมคนนั้นบําเพ็ญไม่เกินเจ็ดปีแล้วก็ไม่เกินเจ็ดเดือนแล้วก็ไม่เกินเจ็ดวัน ทาผลมีบุญวาดชนาก็ไม่เกินเจ็ดวันแ็ได้สำเร็จมักสำเร็จผลถ้ามีมากกว่านั้นกบเจ็ดเดือนถ้าว่าเริ่มต้นจริงๆนะกันพันหัวก็ยังรับรองว่าไม่เกินเจ็ดปีแต่ในท่านตรัสหรือท่านพูดได้แต่เราทดลองละชิตพอมานั่งภาวนาไม่ถึงนาทีใจของเราหลุดไปไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หน เพราะฉนั้นเราจะเปรียบเทียบยังไงในจุดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะแข่งกันหรือว่าเราจะอวดกันหรือจะบอกขม่มข่มกันไม่ได้มันจุดแท้แต่บุญบา ร, รมีของแต่ละองค์อีกเหมือนกันเราต้องทิ้งทึงการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีอีกส่วนหนึ่ง แต่เราจะไปทิ้งแต่ใส่แต่บุญบารมีอย่างเดียวอนอนคอยบารมีบุญบารมีอย่างเดียวเพื่อจะให้มันแก่กล้าซะก่อนมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญเก็บหอมรอมริบสะสมไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างเสียบ้างได้บ้างต่อไปไม่นทำมาค้าขายถูกทางก็ได้ได้ได้ได้ได้ไดได แต่ยังไม่ถึงถึงขั้นเศรษฐีแต่ได้มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเหลือใช้แต่ไม่ถึงขั้นเศรษฐีแต่ว่าเราพยายามทํานี่แหละนี่ก็เหมือนกันการบำเพ็ญทางด้านจิตภาวนาหรือว่าทางด้าน จ, จิตใจที่จะฝังรากลึกต่อหลักเหตุผลนั้นพวกเราต้อง มีความตั้งใจมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นมีศรัทธามีขันติมีสัจจะมีความเพียรมีปัญญากันกลองไต่ตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นเราก็ในเมื่อเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็นำมา ป, ปฏิบัติมาปฏิบัติอย่าส่งออกไปข้างนอกบังคับให้ใจอยู่กับตัวเองกำหนดอะไร ให้มันอยู่เรื่องภายนอกอดบ้างอิ่มบ้างหิวบ้างกระหายบ้างเป็นธรรมดาอยู่ในโลกเนี้มันต้องอยากจะให้มันถูกใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันก็มีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายแต่ถึงยังไงสิ่งเหล่านั้นถือว่าไม่สําคัญพูดอย่างนั้นได้เรื่องสําคัญคือจิตใจของเราเนี่ยนตะัวเนี้ย่ะเท่ามาเราเข้ามาศึกษาเรื่องของใจ จะทายังไงใจของเราจึงจะอยู่นิ่งจึงจ ะ, จะสงบได้จึงจะฝังรากรุกให้เป็นเหตุเป็นผลนี่แหละจุดนี่แหละจุดที่เราจะต้องมาศึกษาค้นคว้าศึกษาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ยึดอะไรถ้าจะยึดแนวแถวของหลวงปู่มันท่านก็บอกให้ภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักพร้อมกับบริกรรมพุทธโถท่านก็นเน้นจุดนี้แต่เราจะจริงจังขนาดไหนที่เราจะเอาจุดนี้เราจะเชื่อขนาดไหนถ้าเราไม่เชื่อมันก็อย่างว่าทำงานแบบไม่เชื่อถึงผลจะออกมามันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับเราไม่เชื่ออาจารย์ที่เราสั่งสอนเราเนะี่ยอาจารย์บอกวันนี้อย่างนี้อย่างนี้ ในการผ่าตัดนี่ๆทำอย่างนี้ๆแต่เราไม่เชื่ออาจารย์ในเมื่อไม่เชื่ออาจารย์เราก็ทำไปอยู่ทำไปแบบอาจารย์บอกอาจารย์สั่งแต่ความเชื่อในใจไม่มีอย่าหวังเลยผลงานชิเน้นจะออกมาดีเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สังเกตไม่ได้มั่นใจมันไม่ได้เชื่อเต็มร้อยแต่ถ้าว่าเราเชื่อในอาจารย์เต็มร้อยอาจารย์สั่งยังไง อาจารย์เราเชื่อมั่นในอาจารย์ว่าอาจารย์มีความรู้จริงอาจารย์ผ่านประสบการณ์มาอย่างนี้จริงเราก็จะลงมือประพุทธปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อนั่นแหละผลงานจะออกมาเป็นที่พอใจทั้งอาจารย์เป็นที่พอใจของเราเป็นที่พอใจของทุกคนเพออราะเหตุเพราะเรามีศรัทธาคือความเชื่อเป็นเบื้องต้น ในเมื่อเราเชื่อแล้วศรัทธาเราปลูกไว้แล้วจากนั้ น, นเราเ็ามีความเพียรพยายามในเมื่อมีความเพียรพยายามจะต้องเอาหลักเหตุผลและจะต้องปฏิบัติอย่างอย่างที่เราได้ศึกษาให้ได้ในเมื่อเราใช้ความเพียรแล้วเราก็ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลพร้อมกันเราก็ใช้ความอดทนอีก ถึงจะปวดแข้งปวดขาหิวก็หายเหนื่อยขนาดนั้นเราไม่สนใจอดทนเป็นหลักอดทนใช้ปัญญามีความพยายามมีความภาคเพียรในแนวความเชื่อที่เราได้ศึกษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าให้ภาวนาพุทโธนะอย่าไปหลีหนีจากหลักพุทโธกำนดลมหายใจเข้ากรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก อย่าส่งใจออกไปข้างนอกอย่าส่งไปในอดีตอย่าส่งใจไปในอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ถึงจะปวดแข้งปวดขาถึงขนาดนี้นก็ต้องอดทนทีนี้เราก็เชื่อว่าการอดทนจุดนี้แหละถึงยังไงมันก็ไม่มาตายแน่เพราะท่านผ่านมาแล้วท่านยางสอนเราเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อท่านตามที่ท่านได้บอกกล่าวท่านท่านได้สอนมาแล้วเรากาหนดดูตามที่ท่านสั่ง กำหนดลมหายใจเข้าพุทโทพุทโทพุทโทตั้งสติให้เข้มแข็งนั่งลสิสามสี่ห้าหกชั่วโมงทดลองเลสิเป็นยังไงในเมื่อเราทำได้อย่างที่ว่าศรัทธาความเพียรความอดทนปัญญาลงไปสู่จุดนั้นความสำเร็จ ถึงจะไม่ได้สำเร็จมากสำเร็จผลก็เถอะความสำเร็จทำจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งได้นั้นจะเกิดขึ้นมาได้สำหรับท่านผู้นั้นผู้มั่นใจอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นจะต้องได้ริมรถพระธรรมได้ริมรถสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวว่ารถแห่งสมาธิเป็นรสที่มีความสุขจริงจริงไม่มีความ สุขไหนที่จะเหนือกว่าจิตสงบสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาปฏิบัติให้จริงจังและให้จริงใจให้มีสัจจะในการนั่งเราจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ว่ากันนั่งทั้งคืนก็ว่ากันเดินกี่ชั่วโมงก็ว่ากันเดินสลบเดินสลบนั่งนั่งสลับเดิน เวลาเดินกต่ขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลานั่งก็กาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรเราได้เรียนกรรมฐ า, านจากองค์ไหนมาก่อนหน้านี้เราให้เอาไว้ก่อนยกกกยใส่หัวแล้วก็เอาไว้ก่อนอย่านำเอามาตีกันในขณะที่เรามาอยู่ให้ฟังแนวแถวที่หลวงพ่อได้สอนไม่เสียเวลามากถูกเพียงสามอาทิตย์กว่าไม่ถึงจะเสียหาย ถ้าพวกเรานํำทำคําสอนองค์อื่นเข้ามาช่วงนี้มาใช้ช่วงนี้มันตีกันไม่รู้จะจับเงินไหนเดี๋ยวก็โดดจับเงินนั้นนี่กรโดดจับกันกนี้ผลในสุดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันกอไก่ถึงหอ้อทงทคู่ก็เลยเรียนยังไม่จบอีกต่างหากเพราะเรียนกอไก่แล้วก็อยากจะเรียนภาษาจีนจากนั้นอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นจากนั้เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษารอบด้านทุกอันไนรก็อยากจะเรียนหมดกไก่นี่ภาษาอังกจีนคาว่าไงภาษามาเลย์เขาว่าไงภาษาอินโดเขาว่าไงภาษาญวนเขาว่ายังไงภาษาลาวเขาว่ายังไงกอไก่เนอภาษาอังกฤษเขาว่าเภาษาญี่ปุ่นเขาจะว่ายังไงพอใ น, นสู่กันจะเรียนแต่เพียงแค่นี้เราจะเดินไปทางไหนได้มันจะถึงห้องทุกหู้และผสม สาระอีโอ e ได้อย่างไรเพราะนั้นเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ให้ศึกษาแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเป็นลูกเป็นหลานเป็นสิทธเดาวยจิตรได้ศึกษามาสายนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจะถ่ายทอดถ่ายเทแนะนำสั่งสอนลูกหลานที่เข้ามาสู่สำนักของหลวงพ่อให้ศึกษาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นนะ หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้แต่หลวงพ่ออยู่ไม่ได้พบกับหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อก็เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเนี่ยได้ศึกษาอย่างหลวงปูล่ลาใช่ไหมที่หลวงพ่อเคยปูดเป็นเนนกับท่านถึงแปดอยู่ทั้งแปดเก้าปีจากหลวงตามหาบวยหลวงพ่ออยู่กับท่านเป็นสิบสี่ปีจากนั้นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้สัมผัสเข้าไปเกี่ยวข้อง หรืได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์จากเอ็มพสามจากเทพหลวงพ่อก็มั่นใจว่าท่านสอนในลักษณะหลวงปู่มั่นสอนในลักษณะที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงนำมาประยุกตครูบาอาจารย์แต่ละองค์หลวงพ่อเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อเข้าใจจากนั้นหลวงพ่อก็ถ่ายทอดเพื่อสิทธิลูกศิษย์ลูกหาหรือลูกหลาน ที่เข้ามาศึกษาในวัดหลวงพ่อให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะถูกหลานนะทดลองดูนะให้เชื่อทุกคนนะอันดับแรกคือให้ศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนนะ เ, เชื่อขนาดที่ไม่เสียหายอะไรหรอกเพียงสามอาทิตย์กว่าๆไม่ถึงเดือนอีกตา่างหากให้จริงจังพวกเราเมื่อจริงจังแล้วนั่นแ่ะแล้วผลมาออกมาอย่างไงยังค่อยมาถาม หลวงพ่อผมเอาจริงอย่างสุดๆแต่หลวงพ่อนั่งภาวนาอย่างนี้เดินยกรมอย่างนี้ผมกำหนดใจอย่างนี้ใจไม่ให้มันออกอย่างนี้บังคับใจตัวเองให้อยู่กับกรรมฐานนี้ตลอด24ชั่วโมงผมไม่ให้มันเผลอเลยแต่มันทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่สงบหรือทำไมเป็นอะไรยังค่อยว่ากันหลวงพ่อจะได้ฟังเหตุและผลที่พวกเราเดินไปแล้ว มันออกมาอย่างไรหลวงพ่ออยากจะฟังผลแห่งการปฏิบัติของลูกของหลานของพระของนาคที่เข้ามาศึกษาในวัดหลวงพ่อเพราะวัดของหลวงพ่อไม่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตู่สู่ลบตบศึกธรรมมาค้าขายกระสงกะเกษตรวิชาอาชีพทนายคงทนายความ พิภากษาอายาการตำรวจทหารครูบาอาจารย์มหาวิทยาลายัยหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาหลวงพ่อก็จะสอนในภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาให้ดูแลบำรุงรักษารากแก้วคือใจหลักของพุทธศาสนาท่านให้ดูใจใจนี่คือรากแก้วของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจับรากแก้วดูแลได้แล้วเนี่ย เ ร, เรารู้เรื่องของใจได้แล้วเราจะพูดยังไงก็ได้เราจะทำยังไงก็ได้พอเขาพูดมาเราก็รู้ล้วเขาจะพูดเรื่องอะไรเ <'s> พราะใจของเรามันเป็นหลักอยู่แล้วเราเรียนวิชาใจของเราอยู่แล้วเ <is> พราะนั้นเราเรียนเรื่องต่างๆเรื่องวิชาต่างๆมันเอาใจออกทั้งนั้นใจที่ไปรู้ทั้งนั้นเพราะนั้นเราจึงหลักของผร้รดาศาสนาจึงให้เรียนหลักของใจคือลากแก้วของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง พระพุทธเจ้ามนโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านจึงเน้นจุดนี้อย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาศึกษาหลักพระธรรมวินยัยศึกษาแนวทางปฏิบัติศึกษาเรื่องจิตภาวนาศึกษาเรื่องของใจศึกษาเรื่อง เราที่เป็นหลักคือใจเป็นหลักใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจของเราเนึกคิดเคลื่อนไหวอย่างไรอยากจะให้พวกเราศึกษาเรื่องของใจในการบวชหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของพระลูกพระหลานของนาคทุกๆคนต่อเ น, นี้ไปนั่งกำหนดดูใจถึง